เอามันเป็นยังไงวาอันนี้มันก็เป็นมันมันมันก็เป็นรูปเปรียบมันเนี่ยขอมันเรื่องพรวนหน้ามันคืดมันขัดักพระวนหน้านี่กากไม้ก็มาให้คิดให้มันบึ้งให้มันคัดขัดอย่างนั้นพยายามอย่ารีบอย่ารอดอย่าซ่าเกินไปอย่ารีบเกินไปค่อยๆทาแต่ว่าจุดมันมีองมีจุดมันต้อมีถ้ามันออกถ้ามันเป็นรูปเปรียบมามันจะออก โดยวิธีอย่างนั้นโดยมากก็ทุกคนนะมันอยากที่จะออกมาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครัมันยากนะอืมันอยา ก, นะ อ, ยากอยากนี่มันก็ผนกับความหลงะนะั่นแหะอยากนี่มันอยากนี่มันหลงถ้าอยากไม่หลงมันก็อยากด้วยปัญญายัางัไนความอยากนี่ทันจริงเียว่ามันเป็นวารามีของคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะ คนที่มีปัญญาบางคนไม่อยากจะให้มันอยากเพราะเข้าใจว่ามาระงับความอยากนี่ความเป็นจริงถ้าหากว่าไม่มีความอยากก็ไม่มีข้อปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทําอะไรเราพิจารณาดูกันนดะ้ทุกคน <c oughs> ถึงแม้บ่าพระพุทธเจ้าเราก็ตามสาวกทุกองค์ก็ตาม <c oughs> ท่านออกมาปฏิบัตินี่ก็เพื่อว่าจะให้มันบรรเทากีรดทั้งหลายนั่นนหละ แต่ว่ามันต้องอยากทาอยากปฏิบัติอยากให้มันสงบและก็ไม่อยากให้มันบุนวายทั้งสองอย่างนี้มันเป็นอุปสรรคทางนั้นน่ะถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าหากว่าเราถอดใจความจริงๆแล้วนะ่ะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยถึงจะรู้อะไรมาก็ช่างมันเถอะครับแต่ไม่มีความฉลาดในการกระทาอย่างนั้นเพราะว่ามันปนกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็อยาก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 คืออยากไม่อยากปัญญาไม่มีนี่นักปฏิบัติของเราเนี่ยสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันจึงเป็นการมสุ ข, ขันนิการโยโคอั ต, ตเตียธรัมธาโยโคซึ่งพระพุทธองค์ของเราน่ะี่มที่สอนเป็นครูเป็นอาจารย์ที่สอนมานี่ท่านกลงมาในตอนนี้เองในรูปว่าจะไปทำยังไงหลายประการที่ท่านหาอุบายใจไปพบของสองสิ่งนี้ทุกวันนี้เราก็เหมือนกัน สิ่งทั้งสองอย่างนี้นะมันกวนอยู่เราจรึงลงทางมันไม่ได้ mm. ก็เพราะอันนี้ใอ้ความเป็นจริงนั่นก่อนทุกคนจะมาปฏิบัตินั่ น, นครับมันต้องเป็นผู้ตุชนมาเดิมพันมันเป็นผู้ตุชนมาผู้ตุชนมามันต้องประกอบไปด้วยความอยากในความอยา ก, ายากที่ไม่มีปัญญาอยากเกิดความหลงมไม่อยากนี้มันก็ มีโทษเหมือนกันคำที่ว่าไม่อยากนี่มันก็เป็นตันหาเหมือนกันคำที่ว่าอยากนี่มันก็เป็นตันหาเหมือนกันนี่ทีนี่ผู้ปฏิบัติเนี่ยยังไม่รู้เรื่องมันว่าจะเอาอยัางไงกันเดินไปข้างหน้าก็ไม่ถูกเดินกลับไปข้างหลังก็ไม่ถูกนะอืจะหยุดก็หยุดไม่ได้ก็เพราะว่ามันยังอยากอยู่มันยังหลงอยู่อยากเมื่อไรนั่นก็เห็นแต่ความอยากปัญญาไม่มี มันอยากเป็นความหลงมันก็เป็นตัณหาถึงแม้ไม่อยากนั้นมันก็มันก็เป็นความหลงมันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเพราะอะไรมันขาดปัญญาอืไอ้ความเป็นจริงนั่นมันก็ไอ้ความอยากน่ะทั้งสองอย่างนี้เนี่ยหรือความไม่อยากนี่ครับธรรมะมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราไม่มีปัญญาเราก็พยายามไม่ให้มันอยาก อย่างหนึ่งก็อยากให้อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองคู่เนี่ยครับมันตัวเดียวกันทั้งนั้นไม่เคยตัวอื่นถ้าหากว่าเราทั้งหลายเน่ะไม่รู้เรื่องมันนะไม่รู้เรื่องเสียงทั้งสองนี่แต่ว่า ที่พระพุทธเจ้าของเรานั่นสาวกทั้งหลายนั่นท่านก็อยากเหมือนกันอือยากนั่นเป็นอาการของจิตเฉยๆคาที่ว่าไม่อยากนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาท่านก็เห็นว่ามันเป็นอาการของจิตเท่านั้นนะมันวูบเบี้ยท่านั้นมันก็หายไปอมดังนั้นความอยากหรือความไม่อยากนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีปัญญาเห็นแล้วก็นอยากไม่มีอุปทาน ไม่อยากก็ไม่อยากนั่นน่ะก็ไม่มีอุปทานเป็นสักแต่ว่าอยากหรือไม่อยากเท่านั้นถ้าพูดตามส่วนความจริงมันกเ็เป็นแต่อาการของจิตอาการของจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเองอืถ้าเรามาตะคุบป็นยที่ไกล้ๆนี่มันก็เห็นมันชัดดังนั้นผมจึงว่าการพิจารณานั่นน่ะไม่ใช่ว่ามันรู้ไปที่อื่นหรอกมันรู้ตรงนี้ะเมืันชาวประมงเขาไปทอดแหนั่นแหละ ทอดแห่มันถูกปลาตัวใหญ่หญเข้าเนี่ยเจ้าของผู้ทอดแหมันจะคิดยังไงมันก็กลัวกลัวปลาจะออกจากแหมันไปเช่ไมเมื่อเป็นเช่นนั้นใจมันก็ร้นโนนขึ้นเร็วระวังมาก บ, าบังคับแต่คบไปแต่คบมาอย่างนั้นแหละปเดี๋ยวปลานะครับ ออกไปจากแขกนะพอไปตะคุบมันแรงเข่าเกินไปยังนั่นอโบราณท่านพูดถึงเรื่องอันนี้ยแต่มาค่อยๆทํามันแต่อย่าไปอย่าไปห่างจากมันนี่คือปฏิปทาของเราค่อยๆคํามันไปอืมค่อยๆทํามันไปอืมค่อยๆทํามันไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นนะอย่าปล่อยให้มันอืมหรืออย่าไม่อยากรู้มันต้องรู้มันต้องรู้เรื่องของมันพยายามทํามันไปเรื่อยๆ เป็นปฏิปาทาขี้เกีกเยจแล้วก็ทํามันไม่ขี้เกียจแล้วก็ทํามันเรียกว่าการทำํำต้องทําไปเรื่อยอย่างนีน้ถ้าว่าเราขยันเอ ม, มันก็ขยันเพราะความเชื่อมันมีศรัทธาแต่ปัญญาไม่มีอย่างนี้เมื่อขยันแล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรมากมายนะแต่ว่าเราทําขยันไปมากๆไปถูกทางมันก็นานๆไปเพราะไม่สงบไม่ระงับ นะที่นี่มันก็จะห้ความเห็นอย่างนั้นมันก็จะวกกับมาหาตัวเราเองว่าเรานี้มีบุญน้อยหรือมีวาสนาน้อยหรือคิดว่ามนุษย์ในโลกนี้ทาอย่างนี้ไม่ได้แล้วยานี้กอถอนลงไปก็ได้ น, น, นี่ตรงนี้ต้องใช้ความระวัตระวงังมีคันติความอดทนเราทาไปเไรื่อยๆเมื่อปลาตัวใหญ่ๆค่อยๆทำค่อยๆ คลำ ม, มันไปเรื่อยๆน ะ, ะถ้าเราอ pues ืมถ้าเราคลาไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ปลามันก็ไม่วิ่งแรงค่อยๆไปเรื่อยๆแต่มันไม่หยุดนี่เราผักมันไปเรื่อยๆนานๆปลาก็หมดกําลังอืมถ้าปลาหมดกําลังนะ่ะเห็นไหมมันก็จับง่ายมันก็จับง่ายเอาที่ถนัดถนัดมันก็จับมันง่ายอืมถ้าเราเรียบจนเกินไปปลามันก็วิ่งออกจากแหะนะ อโดยมากก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการปฏิบัตินี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราเพิจารณาตามพื้นเพี่ของเราอ่ะเคลนว่าเราไม่มีความรู้ในทางอื่นไม่มีความรู้ในปริยัตไม่มีความรู้ในอะไรเทียมมนเกิดขึ้นก็ความรู้อันเก่าแล้วนั่นแหละพื้นเพออันเก่าแล้วนั่นเนี่ยของเก่านะี่ยคือธรรมชาติของจิตเยมันมีของมันอยู่ละถึงว่าเราจะไปเรียนรู้มันมันก็มีอยู่ ถึงว่าเราไม่รู้มันมันก็มีอยู่มันมีอยู่นั้นแหละอย่างธรรมะที่ท่านพูดด้วยว่าพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตามพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นก็ตามนี่นี่มันถูกเนี่ยครับอันนั้นก็เป็นอยู่อย่างนั้นอืออะันนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันในพ่แตงไปที่ไหนมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสัจธรรมเราไม่เข้าใจในสัจธรรมก็ไม่รู้ว่าสัจธรรมมันเป็นอย่างไร นี่เท่าไวรการพิจารณาในความรู้ของผู้ปฏิบัติไม่มีพื้นปริยัติรู้จิตผมเคยพูดว่าพยาพยามพยายามอ่านจิตเจ้าของพยายามพูดกับจิตเจ้าของมันจริงดูเรื่องมันค่อยๆทำไปถ้ายังไม่ถึงที่มันมันก็ไปอยู่อย่างนั้นทาไปครูบาอาจารย์บางท่านท่านไปบอกเออทำไปไเรื่อย ทำไปเรื่อยๆไม่หยุดทำไปเรื่อยๆนี่ <c oughs> อันนี้ถ้าหากว่าถ้ามาเราคิดเออทำไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องมันจะรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นทำไม่ถูกที่มันมันจะรู้อะไรบอกจะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> คือการกระทำไปเรื่อยๆการกระทำไม่หยุดนะ มันจะต้องเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นในสิ่งที่เราทํานั้นนแหละในเวลานั้นมันก็ยังไม่เกิดความรู้สึกนึกคิดไม่เกิดผลประโยชน์ผมเคยเล่าให้ฟังเหมันการกายบุรุษไปสีไฟเอาไม้ลําปอสองซี่หรือไม้ไผ่สองซี่ถ้าว่าไฟอยู่ที่เนี่ยเอาไม้ไผ่สองซี่ลำปอสองซี่เนี่ยสีกันเข้าไปอะ ท่านบอกว่าไฟอยู่ตรงนี้เราก็มาทํานะจับไม้ไผ่สองที่หรือลาปอสองที่มาสีเข้าไปอืมใจเรามันร้อนอืมเราทํางานนั่นน้นสีไปเรื่อยไปไอ้ใจมันก็ไม่หยุดนี่อยากจะให้มันเป็นไฟอยากจะให้มันเป็นไฟอยู่เรื่อย ไฟนะั้นมันกว่าไม่เกิดนี่เรียกก็เกิดความขี้เกียจแต่กกพักแค่น้อยคิดสักพักหนึ่งเอาอีกขึ้นนะ่ะก็เอาอีกมันก็เดินชาไปไปพักผ่อนแล้วก็ไอ้ความร้อนมันก็หายไปทีคือมันไม่ติดต่อกันนี่ทำไปทำไปเรื่อยไปไงเงี้ยเหนื่อยก็หยุดนะ ถ้ามีเตนิ่อย่างเดียวมันก็พอแต่ไม่ขี้เกียจมันไปปนเขาด้วย <c oughs> นะเออมันก็เลยไปกันใหญ่อย่างนั้นเนียบุตรนั่นก็หาว่าไฟไม่มีในทีน่นี้แล้วก็ทิ้งมันไปใช่ไม่เจอไฟก็ไปประกาศว่าไฟทํางี้ไม่ได้ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นพอเขาได้ทําแล้วนี่ไอความเป็นจริงทําก็จริงเด้อแต่ว่าไอความร้อนยังไปสมรุนกันมันก็ไม่เกิดเป็นไฟให้เรา ในความเป็นจริงนั้นไฟนั้นมันมีอยู่แต่เราทําไม่ถึงจุดอันหนึ่งมันแหละคือความร้อนมันไม่สมรุลกันไฟมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ยางนี้คือเกิดความท้อแท้เกินมาในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเนี่ก็ละอันนี้ไปทํามโนเรื่ยไปอันนี้ก็ฉันใดเหมือนกันอออืืนการกระทํานี่ก็เรียกว่าเหมือนปฏิปทาทางกายเนี่ย ทางใจสองอย่างนี่ยมันพร้อมกันใครก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพื้นเพมันเป็นคนมีกิียดทั้งนั้นเพระพุทธเจ้าท่านคนมีคนีกลียดทั้งนั้นแต่ท่านมันมีปัญญาหลายทุกองค์พระอรหันต์ก็มันกันเชนนั้นเมื่อยังเป็นพุทธชนอยู่เหมือนแต่เรานี่มันคิดไม่ถูกมันถึงเป็นพุทธชนอยู่อย่างนั้น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 ให้ไปท่องดูทุกอย่างตรวจ ด, ดูสินของเจ้าของต้องไปตรวจ ด, ดูทั้งทุกสี่ขาบอืดเมื่อคิดไปแล้วมันก็ไม่ไหวแนละ้วอย่างนี้อันนี้มันก็เปรียบไปว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนในพิจารณากายอย่างเจสาโลมานาคาทันตาตาโจรมิได้กายทช่ไหมเนี่ยนะลองลงดูสิ มันเป็นเรื่องของกายตรงนั้นเนี้ที่ท่านให้กรรมฐานครั้งแรกกันเนี่เรื่องกายต้งนั้นนี่ยท่านพิจารณาอยู่ตรงนี้ให้ดูตรงเนี้ยถ้าหาก ว, ว่าเราเห็นไม่ชัดมันก็ไม่ชัดสักคนเนี่ยคนอื่นมันก็ไม่ชัดตัวเราเองเก็ไม่ชัดเห็นตัวเราก็สงสัยเห็นคนอื่นมันก็สงสัยอยู่ตลอดไปเพราะว่าอะไรมันเหมือนกัน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 อืมเนี่ ย, ยถ้าเราคิดได้เช่นนี้แล้วก็ภาระเรามันก็น้อยลงถ้าเราไม่คิดเช่นนี้ภาระเราก็มากจะรู้คนทุกคนจะต้องตามไปดูมันในจักรวาล น, นี้ให้หมดถึงจะรู้คนทุกคนเนี่ยมันก็มากถึงว่าเราคิดเช่นนั้นมันก็ท้อแท้อย่างพระวินยัยเราหนี้กับมันกันอ่านที่ข้าบทไม่รู้ว่าทะเลโกรธที่ข้าบทเนี่ยตามความจริงมันอะ ถ้าเราจะไปคิดดูอืมแล้วตามใจเของเราก็นึกนว่ามันเหลือวิสัยของเราเนี่ยใครจะไปนึกมันได้ทุกสิขาบทมันมากเหลือเกินอย่างนี้เฉพาะอาจารย์ตําราทาำให้ตรวจ ด, ดูสินให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องไปได้ไล่โกดทุกสิขาบทให้รู้หมดมันจึงสมบูรณ์บริบูรณ์ให้ความเข้าใจอะไราเ ป, เป็นอย่างนั้น อย่างท่านให้รู้แจ้งซึ่งมนุษย์ทั้งหลายนี่ทุกคนเนี่ยก็เข้าใจว่าจะต้องไปดูคนทุกคนมันถึงจะรู้คนทุกคนอย่างนี้มันก็มากเท่านั้นแหละนัะ่อมันก็มากนี่คือมันตรงไปนี่ครับพูดโดยตรงไปเนะี่ยตามตำราก็ตรงไปอย่างนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนเราตรงไปอย่างนั้นเนะี่ย ไอ้ความเป็นจริงในเรียนปริยัตขนาดนั้นมันก็ไปไม่ไหวครับหมดศรัท ธ, ธาเหมือนกันอืมะหมดศรัท ธ, ธาเหมือนกันนั่นเดีย ว, ว่ามันยังไม่เกิดปัญญาครับถ้ามันเกิดปัญญาแล้วก็คนทั้งหมดก็คือคนคนเดียวถ้ามันคือคนคนเดียวแล้วก็พิจารณาเราคนคนเดียวก็เพราะเรามีรูปเพราะเรามีน้ําลักษณะของรูปน้ํามันก็เป็นอยู่อย่างนี้คนอื่นก็เป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกันเนี่ยอืมันเห็นใจนั้น ภาระที่เราจะต้องคิดมันก็น้อยดวงกัเพราะมันอันเดียวกันอืย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงอัตโนโจทะยันตังจงเตือนตนด้วยตนเด่งให้เตือนเจ้าของเนี่ยไม่มีที่อื่นถ้าเราเห็นตัวเราเองแล้วมันก็เห็นกันหมดทุกคนเพราะมันอันเดียวกันบริษัทอันเดียวกันนี่มันยี่ห้ออันเดียวกันนั่นีไง แต่มันลงสีสันฐานมันเท่านั้นเนี่แต่ยี่ห้อมันอันเดียวกันอถ้าถ้ายาทันใจยาปวดหายนี่เนี่ยครับเป็นต้นมันก็มีลักษณะรักษาโรคเหมือนๆกันแต่มันเปลี่ยนมาเป็นยาปวดหายแต่ว่ามันเปลี่ยนอันหนึ่งว่าทันใจไอ้ความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนละอย่างหรอกครอบมันมาทําจุดเข้ามาคือให้แก้ปวดเหมือนกันเท่นั้น อันนี้ไอ้ความเห็นแค่นี้มันก็ง่ายขึ้นครับมันก็ง่ายขึ้ น, นเรารวมๆเข้า ม, มานี่เรียกว่าเราคํา ม, มันไปนะครั้งแรกก็คํา ม, มันไปอย่างนั้นะหละคลำ ม, มันไปดิ้ดี้ไปอย่างนั้นนะมันเกิดความฉล า, าดอยู่ในการกระทํากระทาไปดิ้ดี้ทำไปจนกว่ามันเกิดความเห็นนี่กระทาไปดิ้ดี้แล้วมันจะเห็นความจริงของมันจริงๆ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 ไปติดอยู่ในเสียงกันนั้นอย่างนี้รูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐะธรรมารมเนี่ยมันก็ถึงเป็นบ่วงสำหรับเกาะสาหรับเกี่ยวเอามนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในตัวของมันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทำไปอย่างนั้นอ่ะอีกวันหนึ่งมันต้องเกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาฮะ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 โพดสังโคสติสังคาโตธัมมายังวิจโยตธะบิดยมปีติปัจเิโพดสังคคเจตถาปมาสุเปกขาโพดสังคาเนี่เบื้องแรกมาเกิดอย่างนี้ฮะอาการนี้มันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นโพดชงเพศโพดชงนั้นก็ทั้งหมดน่ก็เป็นองค์ทีกัตทรูธรร ม, มะทั้งนั้นไอโพดชงเนี่ย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 แต่มันถอนตัวออกมาเป็นปริยัติเป็นตัวหนังสืออะไรต่ออะไรเป็นคําพูดไปมันก็เป็นไปภาษาอื่นอีกเนี่แต่พอพูดชงเกตเนะ่ยมันก็หายไปหายไปเลยที่เราไม่รู้มันนะเนี่ยแต่ความเป็นจริงเนะี่ยก็มันมีอยู่ในนีนน่บนนะ่ะพุทธสังโฆสัจตังกาโตธรรมานางังเบจะโยเนะครับ ม, มันจะเกิดอะไรก็ช่างมันเกิดธรรมิจยะเกิดการพินิจพิจารณาเกิดปีติ เกิดความเพียรเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดมันจะเกิดไปตามระดับอันนี้พราะการกระทํามนี่ถ้ามันเกิดในการกระทํานี่ทั้งหมดมันก็เป็นองค์เป็นองค์ที่กัทชรูธรรมะอย่างนี้นี่มันเป็นอาการอาการนี่มันมีอยู่ถ้าทำไปถูกทางมันไม่ต้องเกิดอาการอย่างนี้ธรรมะมันก็ต้องมีอยู่ในนี้ครับอย่างงั้นท่านจึงว่าค่อยๆคลำไป ค่อยๆพิจารณาอย่านึกว่ามันอยู่ข้างโน้นอย่านึกว่ามันอยู่ข้างนี้อย่างนั้นอย่างท่านอาจารย์จัน์ไปเรียนบารีแปรธรรมบทกับเขาไม่ได้ครับโดยนึกถึงว่าพระกรรมถานท่านนั่งเน่มันสะอาดมันเนอนแจ้งมันรู้มันเห็นท่านก็ออกมาปฏิบัติอยู่วัดตองกบพงแลวนี่เนี่ยท่านว่าจะมานั่งปฏิบัติแต่ไปแปรบา ร, รี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 มันก็เห็นมันกันอย่างนั้นแต่ว่ามันลึกซึ้งกว่าการทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นในหลักปฏิบัติเห็นในมันละครับมันละหรือมันยังละไม่หมดมันก็ต้องพยายามพยายามละไม่ใช่ว่ามันเฉยๆครับมีความโลภเกิดขึ้นมามีความโกรธเกิดขึ้นมาอย่างนี้ท่านไม่วางมันครับอืมนะท่านไม่วางมัน พีนาแดนที่มันจะเกิดแต่มันเกิดมาแล้วกว่าพีนาโทษมันในมันเห็นด้วยแล้ก็เห็นโทษในการกระทําเช่นนั้นและก็เห็นประโยชน์ในการละสิ่งตั้งหลายเหล่านั้นไอ้ความเห็นอันนี้เขาไม่ใช่มันอยู่ในโน้นมันอยู่ในจิตของเจ้าของที่มันผ่องใสนี่แหละอื่นไกลอย่างนั้นพวกปริยัติหรือพวกปฏิบัติเนี่ยูดมันจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันโดยมากก็เขาจะโทษว่าไ อ, ไ, อไอ้ปฏิบัติเนี่ยูดไม่มีรากฐานนี่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 นึกว่ามันหายไปไหนก็ไปมองหาทางอื่นใช่ ว, ว่ามันจะเห็นอย่างนั้นถ้าไปมองทางอื่นถึงเรียนรู้ขนาดไหนมันก็ไม่เห็นครับจะหาทอะไรมันก็ไม่รู้จักคือไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วนั่นก็เรียกว่าละครับถอนอุปท า, านมันมีความไม่มีความยึดหรือมันมีความยึดก็มันบรรเทาลงอืนี่อมันไปคนได้เง่อย่างนี้ อย่างนั้นผู้ปฏิบัติชอบอย่างงี้หลงอย่างนี้ครับอยากได้ง่ายๆอยากได้ตามใจของเราจะไปดูอื่นด้วยครับดูร่างกายเรานี่แหละครับมันได้ดังใจเราไหมเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้ wow. e. ไนไม่อยากให้เป็นอย่างนี้มันได้ตามใจเราหรือเปล่านี่ครับเรื <S <s ่องกายนี้ก็มันกันเรื่องจิตนี้ก็มันกันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นครับ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 อันนี้ให้คำ น, นึงถึงทีข้านครพรามดูสิทีข้านครพรามณ์เนี่ยพรามเล็บยาวๆอ่ะที่พระพุทธเจ้าลงมาจากดอยคิสโกรหรืออะไรเนี่ยแต่พระชายบุตรอ่ะพรา ม, มแกมีความเห็นว่าด้วยปัญญาของแก เรื่องทิฏฐิทั้งสามนั่นน่ะทิฏฐิคือความเห็นนั่นน่ะความเห็นอยา่างไรแค่ก่อนไปยึดอย่างนั้นอะไรที่มันชอบใจของเขาเขาขอไปยึดว่าอันนี้มันถูกอะไรที่ไม่ชอบใจเขาขอไปยึดว่าอันนี้มันผิดคือเขาเอาใจเขาเป็นธรรมะ <laughs> คือเอาเขาเอาใจเขาเป็นสัจธรร ม, <laughs> รรมเนี่ยความเห็นพรามนั้นเป็นมาอย่างนี้ครับหลายปีนั่นแหละจนแก่ <laughs> เมื่อพระพุทธเจ้าลงมาจากรอยคิดกูดพระสัททีบุตรเนี่ยก็เข้า เรียนกราบเรียนถามเรื่องทิฏฐิทั้งสามเนี่ยอืต่อหน้าพระพุทธเจ้าชิ่งทั้งหลายแล้วนี่ก็มันเป็นร่วนที่เป็นธรรมะครับอธรรมะเนี่ยคืออย่างเราเรียนปริยัติมานี่ครับเมื่อมันเกิดความรู้สึกขึ้นมามันก็วิ่งไปตามปริยัติการภาวนานข้อนั่นเป็นอย่างนัง้นข้อนี้เป็นอะไรมัต้องวิ่งไปตามเนี่ย ถ้าเราไม่มีปริยัติเรามีธรรมชาติจิตของเราอ่ะอันนี้มันก็เป็นธรรมะมือนการกับมันก็ดึกมีความรู้สึกนึกคิดไปตามธรรมชาติมันเนี่ยอืมถ้าหากว่าเรามีปัญญาแล้วพิจารณานะฮะมันก็เป็นปริยัติโดยกันทั้งนั้นเนี่ย ม, มันเป็นปริยัติไอ้ที่ธรรมชาติเราเนี้ยมันเป็นปริยัติเมื่อมันมีความรู้สึกนึกคิดเกิดมาอย่างไรนะครับ พระพุทธเจ้าตนจึงให้พิจารณาอารมณ์อือาศัยอันนี้เป็นปริยัติสําหรับผู้ภาวนาไม่มีความรู้ในการปริยัตนินี่ต้องอาศัยอันนี้ครับอาศัยความจริงอันนี้อืทุกอย่างมันก็เปลียนมาอย่างนี้เหมือนกันนี่ยังงั้นคนเรียนปริยัติก็ดีคนไม่เรียนปริยัติก็ดีนะคร ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่ออย่างที่ผมว่าเานี่ยมมากระทำพยายามทาให้การปฏิบัติของเรานะ่มีความเพียรมีกันติความอด ท, ทนสม่ำเสมอมันมีสติเป็นหลักคือความระลึกได้ว่า เรานั่งอยู่นี่เรายือนอยู่นี่เรานอนอยู่นี่ราระลึกได้ไหมอิเดียาบทอะไรเราอยู่แต่ก็ให้รู้ตัวว่าอในเวลาที่เราอยู่นี่เมื่อระลึกได้ขึ้นมามันติดกันนะนี่นะ่ะมันไม่มันไม่ห่างไกลกันนะนสติความระลึกได้สัมปัจจัญญาความรู้ตัว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 มาช่วยที่ว่าสติะระลึกได้สัพพัญญาความรู้ตัวมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะนอบรมปัญญาเรื่อยอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเช่นว่ามันจะรู้อยู่เราก็รู้มันอยู่ะระลึกได้อะอระลึกได้มันอยู่อารมณ์เกิดขึ้นมายังไงเราก็ะระลึกได้มันอยู่แต่เราแห้เห็นว่าอานิจจังเป็นพื้นเป็นหลักฐานนี่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 ไอ้ความรู้สึกหรือความะระลึกเนี่ยมันจะติดติกันเป็นระดับกันอแต่ปัญญานั้นยังไม่ผ่องสายเมื่อกรรมมาถึงแล้วมันก็สตินี่ไม่ใช่ว่ามันถูกไปทุกอย่างความะระลึกได้ฉันปั ญ, ญญานี่ความรู้ตัวก็เห็นว่าไม่ถูกทุกอย่างปัญญาก็ต้องมาช่วยมีคือสติอย่างใดมีความรู้สึกอย่างไร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 อันนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนการร่วนแต่เป็นของไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงเราไม่รู้มันเนี่ยอยากจะให้มันเที่ยงมันก็เป็นทุกข์อยากจะตามปรารถนาของเรามันก็เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ตามปรารถนาของเราอยากจะให้มันอยู่อย่างนี้อันนี้มันอำนาจจิตของเจ้าของทึ่งศพกระปลก โซกระโตกด้วยความไม่รู้จักอั น, น้อืมัมนก็เกิดกิเลสตัณหาตรงนี้อ่ะถ้ากว่าปัญญาตัวปัญญาพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเช่นว่าเราได้ยดไ้รูปเสียงกลิ่นโน้นโผฏฐาปะอย่างนี้เว่าเราได้ยินที่อะไรก็ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้งางอย่างนี้เป็นต้น คือให้ความยึดมั่นถือมันมันเต็มอยู่ในใจของเราแล้วนี่ฮรดังนั้นพระพุทธเจ้าจะใช้ขี่คลี่คลายออกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานี้เรื่องของไม่เที่ยงเป็นดับวินิจฉัยคนนี้ของไม่เที่ยงนี่ถ้าเราไปยึดมันเมื่อพระพาเราทุกข์ทําไมมันทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายเลยไม่ใช่เหตุผลว่าเราจะไปจัดมัน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 ไอ้เรื่องจิตที่รู้เมื่อได้รับอารมณ์แล้วมันก็มีความรู้ไปอย่างหนึ่งไอ้จิตที่มันรู้เป็นตัวมันรู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็เห็นว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแบบนี้นี่คณะทิวายปัญญาที่ยมันเกิดเป็นมันรู้จักไอ้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยมันมันมันมันตามงมไปยหรือความโง่ของมันมันก็เรียกว่าอืมไม่เห็นเป็นอนิจจังโทขังนักดาอ่า เห็นจะพอว่าเราชอบใจอันนี้มันถูกแล้วมันดีแหละอันนั้นเราไม่ชอบใจอันนั้นมันไม่ดีแล้วอย่างนี้อย่างนั้นจึงไม่เข้าถึงธรรมะปัญญาไม่เกิดถ้ามันเกิดเชนี่จะทำไงเราจะมีปัญญาพระพุทธเทจ้าต้องคว้าเอาอารมณ์ของวิปัสสนามาตั้งไว้ในใจเลยมาต่อรับอารมณ์ทางใจเห ล, าล่านี้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาท่านจะเห็นเลย ถึงแม้เราจะชอบมันอยู่แเราก็อันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่เที่ยงไว้ในใจของเรากระซิบอยู่ในใจของเราอันนี้เป็นทุกข์เพราะทวามที่มันเกิดดับอยู่เนี้ยมันไม่เป็นไปตามอำนาจใจของมนุษย์เพราะว่าทำทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าสักแต่ว่ายืนอยู่ตรงนี้ อย่างนั้นเราจะไปเลือกอารมณ์ไม่ได้เราอารมณ์มันมาม า, มาทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกกันแหละมันวิ่งเข้ามาหาเรา่ะอืถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้อันนี้มันผิดอันนี้มันถูกนะอืมเราพอวิ่งไปตามตันหายิ่งไปตามความอยากอยู่เท่านั้นเองอื อ, อย่างนั้นจิตผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายมันแยกไม่ได้มันกลมเกลียกันอยู่เรื่อยๆไปบางทีก็สุขบังบางทีก็ทุกข์บัง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 ถ้าพูดื่วงกิจมันก็ต้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องออกไปห่างตัวมันเป็นอย่างนี้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่แน่อันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆเนอะต้องพยายามอย่างนี้สับไปเรื่อ ย, ยอย่างเงี้ยอันนี้ท่านบกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัตชนาอารมณ์ของวิปัตชนานี้ก็คล้ายๆที่ว่ะ เราควรรู้จักอารมณ์มันี่อารมณ์อย่างนี้มันจะให้เกิดปัญญาท่านจะอารมณ์ของอิปัส น, นาอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนี้คือมือนกันเราจะต้องกำหนดอนาปาสติรวมหายใจเข้าออกเนี่เป็นรากฐานควบคุมกิจของเราเป็นต้นให้อยู่กระแสให้อยู่ตามกระแสของลมเนี่ยให้มนันแน่วแน่นิ่งนอนอยู่อันนี้เมื่อเราพยายามทําตามกิตก็เราเก็สงบนี่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐาน สมาตากรรมฐานนี่มันมากแตการทำจิตของเราให้สงบนี่มันมากเหเกินครับเพราะมันวุ่นวายมากี่ปีกี่ชาติมาแล้วดูที่เราไปนั่งดูดิจะไปนั่งดูก็ได้ครับอาการที่จะมันวุ่นวายอาการที่จะไม่ให้เราสงบมันมากเหลือเกินมิจะนั่นทันจึงว่าให้หากรรมถานอันนี้อารมณ์นในถูกใจของเราถูกจดิตของเราเช่นว่าเกสาโลมานาขาธันก า, ต, าตะโจ ถ้าในพิจนากลับไปกลับมาอย่างนี้บางทีถ้าเราไปพูดไปถึงเจสาอย่างนี้โล ม, มานะขาทันตาตะโจหนังถ้าเราพูดพิจนาถึงหนังใจเรามันสบายเพราะว่ามันถูกจดิตของเราถ้าอะไรมมนถูกจดิตของเราแลนะ้วน่ะมันจะเป็นอารมณ์ของเราสัหรับปราบจดิตทั้งหลายมันให้มันเบาบางหลงเช่นว่า มรณะสติคือการนึกถึงความตายบ่อยๆนี่เป็นต้นอบางคนมันมีโรคมีโกรธมีหลงอย่างกล้าไม่มีอะไรจะปราปมันถ้าเรามาพิจารณาถึงความตายของเราเนี่ยมันจะสะดสังเวชสวยจนมันก็ตายเนี่ยรวยมันก็ตายเนี่ยดีมันก็ตายชั่วมันก็ตายอะไรมันก็ตายกันหมดตรงนั้น น, น, นี่จิตใจเราก็สดจิตใจเราก็สังเวช ก็ยิ่งพิจารณาไปเรื่อยๆนั่งก็สงบง่ายๆเพราะมันถูกจริตของเรามี่ท่านว่าวิปััชนาอารมณ์ของจมมตะกรรมฐานเนี่ยถ้าถ้าไม่ถูกจริตนะมันก็ไม่สะดุดมันก็ไม่สังเวชอันในที่มันถูกจริตนั้นมันก็ประสบบ่อยจังนั้นมีความรู้สึกนึกคิดในอาการนั่นบ่อยๆคนเราไม่ค่อยสังเกต ที่นีจะมีรูปเปรียบมาตามธรรมชาติของเราอย่างสำรับหนึ่งนะอาหารมันหลายอย่างนะถ้าเข้ามาถวายเราเนี่ยแล้วก็ต้องชิมไปทุกถ้วยะวนะเมื่อชิมไปทุกถ้วยนะมันจะรู้จกเอออะไรอะไรเราชอบเปรียบให้ฟังนะเอออะไรเราไม่ชอบนี่เครียให้เห็นว่าจดิตของของคนเป็นอย่างไงอืม อะไรที่เราชอบมันก็ฉันอันนั้นเนี่ยเห็นว่ามันมีรสมีชาติดีกว่าเขาเนี่ยในสำหรับนั้นอย่างนี้อันนี้พูดถึงอาหารที่เรากำหนดว่าอะไรมันควรอะไรมันชอบมันถูกธาตกับเราเแล้วก็เห็นในงางานอย่างนี้กรรมาฐานที่ถูกจริตของเราเช่นว่าอนาปานสติอย่างนี้เป็นต้นคำนดรวมหายใจข้าออกอนี่คออันนี้มันก็สบายดีนะ อจะไปทําอย่างอืงอ่นไม่สบายเด็กพอนั่งพุบลงกำหนดลมหายใจเข้าออกอเห็นชั ด, ดไม่ต้องไปเอาที่ไหนมันมากเอาของใกล้ๆเดี๋ยนี้ดีกว่าก็กําหนดลมหายใจเข้าออกมันออกมันเข้าออกมันเขาดูมันอยู่ตรงนั้ น, หนแหละดูนา น, านๆทําไปเรื่อยๆจิตมันก็ค่อยวางสัญญาอื่นๆมาเนี่ยมันก็ห่างกันออกไปเรื่อยๆ เหมือนคนแล้วเดี๋ยมันห่างออกไปเป็นต้นไอ้ความผิดต่อกันมันก็น้อยมันก็ไม่มีอารมณ์ช่างหลายมันเกิดขึ้นมามันมีอยู่แต่มันห่างไปเมื่อเราสนใจในอนาคานสตินี้มันก็ง่ายขึ้นนั่งสบายเนี่ยถ้าเราทําตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็รู้จักชํานาญในการกระทําของเราว่าอารมณ์นี้มันเป็นอย่างไรสั้นมันเป็นยังไงยาวเป็นยังไงเนี่ยแล้วมันจะคิดต่อไปว่า ถ้าเราทำไปแล้วน่ะแล้มันจะเห็นว่าเอออารมณ์เนี่ยลมที่เข้าออกเนี่ยมันเป็นอาหารอย่างวิเสรอย่างเนี้มันจะค่อยคิดตรงมันตามไปิต่ละครั้มันเป็นอาหารยิ่งกว่าอาหารทางกายอย่างอื่นเนี่ยออาหารทางกายเหมือนลมเนี่ยอืนี่ก็อาหารจะนั่งอยู่มันก็หายใจจะนอนอยู่มันก็หายใจจะเดินไปมันก็หายใจ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 อาหารคือข้าวข้าวอาหารคืออย่างอื่นนะมันก็ดีมันการแต่ว่ามันไม่ยิ่งมันไม่ได้กินชั่วระยะสามสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือวันหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรอาหารข้างนอกนั่นเรียกว่าอาหารมันหยาบอาหารคือรมเนี่ยมันชั่วระยะนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยมันไปไม่ไหนมันตายเน่ย อืมเอาบันทึกสิบห้านาทีหรือสามสิบนาทียังงี้เอาหรือสิบนาทีหรือห้านาทีอย่าง ง, า ง, าางี้ก็ลองกันเเนี่ยมันจวนจะตายไปแล้วนี่อันนี้พูดถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติี่มันจะมีความรู้ขึ้นอย่างนี้ไอความรู้มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้มันแตกมันมันแตกสิ เรามา่ได้กำหนดจิตใจของเจตของเลยพอมาดูสิว่าอันนี้มันเป็นอาหารนี่ก็เห็นว่าไอ้คำข้าวมันเป็นอาหารก็เห็นว่าเนื้อปลามันเป็นอาหารอะไรไม่เป็นอาหารนั่นนี่ถ้วยทอะไรก็ซื้อมากินสำหรับอะไรก็ซื้อมันมาคะโต๊ะหนึ่งกี่ร้อยกี่พันเนี่ยว่าเป็นอาหารพิเศษเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งเท่าอาหารอันนี้คือลม อันนี้ถ้าเราทำไปความคิดมันจะเกิดอย่างนี้หรือมันคิดต่อไปว่าลมเนี่ยเราก็กินลมอยู่ทุกเวลาออกไปเข้ามาออกไปเข้ามาติดต่อกันเรื่อยอย่างไงี้ยเป็นปฏิปทาติดต่อกันเรื่อยมันก็เป็นอาหารทางกายของเราอย่างละเอียดแล้วให้กายของเราเป็นอยู่เคลื่อนเคลื่อนไว้ไปได้ก็เพราะลมอันนี้ เรายิ่งพีนาไปมากทลายเป็นต้นลมนี้ก็ยิ่งเกิดประโยชน์มากมีอาหารมากอย่างละเอียดถึงแม้ว่ามันขาด จ, จากจั๊บบกเราแล้วเป็นต้นนะมันถึงความสงบมันไม่จะอยู่เฉยหายใจก็ไม่รู้เรื่องลมนี้ยังสามารถออกจากตามสะพังร่างกายเราก็ได้น ะ, นะเราสงบนั่งอยู่เฉยปลากรวบลมมันไม่ออก่มมันไม่เข้าแต่ว่ารมละเอียดมันเกิดขึ้นมาแล้ว มันจะไปหล่อเรี้ยงอะไรทางร่างกายทางไหนนั่นเนี่ยทุกขุ้มขนนะมันจะออกไปได้ของมันอย่างละเอียดนี่นมันก็เลี้ยงโดยวิธีอันนั่นคือมันละเอียดฉะนั้นเมื่อกิตของเรามันละเอียดถึงที่สุดมันแรกลมหายใจกจะขาดลมหายใจจะไม่มีนี่ถึงที่ตรงนี้ท่านว่าอย่าพึ่งตกใจมันเลย อารมณ์ไม่มีจะทําไงอีกจะกำหนดไหมกำหนดว่ารู้ความรู้ตรงนั้นอ่ะรู้ที่ว่าอารมณ์ไม่มีนั่นแหละเป็นอารมณ์อีกต่อไปอันนี้พูดถึงเรื่องสมถะกรรมาฐานนี่มันคือความสงบอย่างนี้อไอกรรมฐานมาถูกจดิตมันก็เห็นอย่างเนี้อธิมายเรื่องอรมมันดีใจมีภาดวิจานเพราะมันไปจนกว่าเรามีสัทธาเห็นชัดจริงๆอือันนี้คือต้อนต่อมัน ทุกสิ่งทุกส่วนเนี่ยถ้าเรารวมพิจารณาอยู่บ่อยๆนะมันก็จะเพิ่มกําลังของเราเรื่อยๆคล้า ย, ายน้ําในโอง่งแล้วเนี่ยถ้ามันจะแห้งไปแล้เอามาหดยดใส่ก็ไปฮะเอามาหยอดใส่ไปเรื่อยถ้ามันจะแห้งเอามาหยอดใส่เพิ่มก็ไปฮะตัวสัตว์น้ําที่อยู่ในนั้นก็มีชีวิตยอยู่อนไม่ตายอการกระทาเพียนการประพฤติปฏิบัติของเราก็เป็นอย่างนั้น อันนี้กลับมาเป็นปฏิปทาของเราที่นี่ก็ในความสบายเรียกว่าสงบสงบจากอารมณ์คือเรามีอารมณ์เดียวคำที่ว่าอารมณ์เดียวนั่นก็นี่ก็ยากเหมือนกันจิตยากไม่อยากจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทกไอ้ความเป็นจริงอารมณ์อื่นนั่นเข้ามาแทก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 แต่ผลที่สุดแล้วเกิดไม่มีความรู้สึกเหมือนแม่ของเราหรือพ่อของเรานี่มันเป็นอารมณ์เดียวอยู่เย่างนี้มันเป็นจุดอยู่อย่างนี้ออย่างอื่นนั่นเรียกว่ามันเป็นอาการจิตเรื่องอาการของจิตนั่นน่ะมันเป็นไปตามสภาพมันอย่างนั้นเมื่อสมถากรรมฐานมีความสงบเกิดขึ้นจิตเราก็ปรองใสตรงนั้นมันที่สงบไอ้สิ่งที่มันสงบนั่นอารมณ์มันก็จะน้อยลงไป กิจสงบแล้วนะการปิจรณาปัญญาขเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นมายกเมื่อความสงบมันเกิดขึ้นมากหรือความสบายมันเกิดขึ้นมากแล้วมันจะติดใชนไหมันจะติดความสุขมันจะติดความสบายถ้ามันจะไปยึดมั่นถือมั่นใช่พอดีเราก็ยกขึ้นมาไอ้ความสุขนี่มันก็ไม่เที่ยงนะนะไอ้ความทุกข์นี่มันก็ไม่เที่ยงนะนี่ ความที่เป็ียนอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไปเที่ยงของมันอย่าไปยึดมั่นถือมันมันเลยไอความรู้สึกอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาทำไมมันจะเกิดขึ้นมาเพราะปัญญามันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเห็นสภาว่าทางไหนแล้วนี้มันเป็ี่ยนอยู่อย่างนั้นของมันถ้ามันมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะเหมือนเกลียวมันน็อตเข้าในสมุนเกลียวกันไปทั้งหัว เมื่อไปเห็นเชนนี้มันก็คลายออกมาอเบี้ยวของน็อตเนี่ยค่อยๆมันคลายออกมามันไม่ตึงแต่ก่อนมันตึงมันแน่นออกมาอันนี้คือความรู้สึกของเราก็ไปเห็นเนี่ยมันต้องคลายเออตรงนี้มันไม่แน่สมัยก่อนเราเห็นว่ามันแน่นอนถึงนั้นนี่มันก็ตึงสิตึงมันก็ทุกข์สิเนีมันตึงมากอเป็นทางตึงมากอย่างงั้นเราก็ตามความเห็นออกมาหย่อนออกมาะคลายออกมา ทำไมมันคลายว่นไหนเพราะว่ามันตึงไปเพราอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของไม่แน่นอนไอ้พอมายึดมั่นถือมั่นคือเดียกว่ามันคลายเปลี่ยวมันออกมาเนี่ยมันไม่ตายตัวของมันอย่างนั้นเนี่ยเรื่องความเห็นนี่ก็เรื่องเป็นอะเป็นทิฏฐิเรื่องความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นอย่างหนึ่งเรียกว่ามานะท่านจึงสอนว่าให้ลดทิฏฐิมานะจะลดมาได้ยังไง มันก็คิดต้องมาอย่างนั้นยึดก็ยึดอย่างนั้นจะลดมันได้ยังไงเนะนี่ยก็ยดลดได้ก็เพราะว่าเห็นธรรมะอาศัยดักคือเรื่องที่ว่ามันไม่เที่ยงเออสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกมันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นเนะ่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้อารมณ์ที่มันมีอยู่นั้นนะ่ะที่เราก็ทุกอย่ามันก็ค่อยหมดตะคาไป ค่ายหม ด, ดาคาไปเทลายเป็นต้นแล้วก็บันเทาความเห็นผิดไปเท่านั้นอืน่บันเทาเรื่อยๆตรงไปอย่างนั้นเรียกว่าคลายคลายเกลียวมันออกหมุนซ้ายไม่ใช่มุนไปทางขวามันก็ไม่ตึงอุปทานนั่นก็ถอนมาเรื่อยๆนี่เวลาเห็นชัดว่าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในสกุลร่างกายนี้ในรูปในนามนี้ในโลกนี้ไม่เป็นอย่างนี้ อืมันก็เกิดความเบื่อเบื่อคําที่ว่าเบื่อเนี่ยไม่ใช่เบื่ออย่างมนุษย์เรานะไอ้ความที่เราว่ามันเบื่อกันคือม่อยากจะรู้มันไม่ชอบมันไม่อยากจะเห็นมันไม่อยากจะพูดกับมันเนี่ยถ้าเห็นเท่าอะไรก็มันสมนำหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยอืมเบื่อมันเนี่ยไม่อยากจะรู้มันไม่อยากจะพบอยากจะปะมัน ไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นมันนี่เบื่อเบื่ออย่างนี้ไม่ใช่เป็นเบื่อนะนี่อุปาทานรู้ไม่ทั่วถึงมันยิ่งเกิดความอิดฉ้าหรือพยาบาทเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งที่ว่ามันเบื่อนั่นเองเบื่อตามคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เบื่อด้วยที่ว่าไม่เกลียดไม่รักมีอารมณ์เกิดขึ้นมาจะ เ, เห็นป่ะอันนี้มันไม่เที่ยงเนี่ย ที่ชอบใจเกิดขึ้นมาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้เบื่อโดยวิธีอย่างนี้อืมเกิดเป็นนิพิธาความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดรักใครในอารมณ์มันนั้ น, มนไม่ไปสําคัญมั่นหมายในอารมณ์เหล่านั้นที่เราชอบมันหรือไม่ชอบมันนั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่น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 ความรู้ไม่สมำเสมอในอารมณนะ์นั้นน่ะไปชอบอารมณ์อย่างนั้นไปชอบอารมณ์อย่างนี้ทั้งสองอย่างนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเราไปชอบมันอย่างนั้นไปยึดมันถือมันมนนันทุกข์เกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าเราให้ตามต่อไปอีกว่าอะไรมันให้เกิดทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์แล้วยิ่งในรู้ว่าพระพุทธเจ้าเขาในสอนว่าที่เรามาภาวนากัน ing, าานี่พิจารณ่ให้รู้จากทุกข์ให้รู้จะเกิดเหตุเกิดของทุกข์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 นี่มันเก nicht, ิดทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราไปยึด no. มั่นถ like ือมั่นในอารมณ์ท yeah. ี่เราชอบหรือเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราไม่ชอบตรงนี้เป็นเหตุในทุกข์เกิดนี่รู้จักมันแล้วนี่ทุกข์มันเกิดเพราะเราอย่างเงี้ไปสําคัญมันหมายมันอย่างนี้ทุกข์มันก็เกิดอท่านว่ารู้จักทุกข์รู้จะขตดเกิดทุกข์รู้จะความหับทุกข์ ถ้ารู้จากความดับทุกข์ชนนี้แล้วก็คลายเกลียวมันลงมาจะดีมุนทางซ้ายมันจะไปหมุนทางขวาตั้งไปดินี่คือมันขับไปเห็นว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ะอุปาทานความยึดมั่นถือมันมันก็ถอนตัวมานี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จากความดับทุกข์รู้จากข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็คือมรรค มเป็นมรต่อมามันเป็นมรติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรสัมมาชีโวสัมมากัมมันตัวไปตามเรื่องมันเนี่ยอืฮเพื่อมันเห็นชอบในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะอันนี้มันเป็นข้อปฏิบัติให้เราจะเข้าไปหลับทุกข์ได้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันก็ตรงต่อเข้าไปหาศีลหาสมาธิหาปัญญาเนี่นี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้นเรื่องจิตใจของเราไม่ต้องไปนี่นะ เ่อเราเห็นชัดเช่นนี้สิ่งทั้งสี่ประการนี้เนี่ยที่เราจะอยากจะให้มันรู้หรืออยากจใจมันเห็นตามความเป็นจริงของมันเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงของมันอันนี้มันก็เป็นสัจธรรมมองไปข้างไหลข้างหน้าข้างขวาเนี่ยข้างหน้าข้า ง, าางหาางลังมันเป็นสัจธรรมทางนั้นมีความจริงของมันทั้งนั้นอดังนั้นผู้บรรลุธรรมะหรือผู้รู้จักธรรมะ ไปนั่งที่ไหนก็มีธรรมทั้งนั้นเนี่ยรู้จักธรรมนี่มันโกรธขึ้นมาอย่างนี้ก็รู้ว่าเอออันนี้มันไม่แน่มันไม่มีราคาทั้งนั้นเนี่ยราคาสิ่งทางใดเรื่อนี้มันหมดไปน้อยไปนี่หมดไปน้อยไปนี่พอเรารู้มันด้วยความรู้มันว่าอันนี้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้เหตุที้เกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้ความหลับทุกข์มันเป็นอย่างนี้ ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์มันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้มันมองมองมองเห็นเป็นสัจธรรมทั้งนั้นเนี่ยเอใครจะนินทามันก็เป็นสัจธรรมครับใครจะสรรเสริญ ม, มันก็เป็นสัจธรรมทั้งนั้นะที่นี่มันจะเรื่อแต่อาการอาการของจิตที่มันอยากคืออะไรมันสะสมมาแล้วแต่นานๆ